เรื่องเรือนจำและเครื่องจองจำพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบเรือนจำและเครื่องจองจำดังได้สดับมาการละครั้งหนึ่งพวกราชบุรุษจับโจรมาพระราชารับสั่งให้จองจำภิกษุชาวชนบทประมาณ30สิรูปผ่านมาเห็นเข้าไปเฝ้ากราบทูลพระสัสดา พระศัสดาทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเครื่องจองจำเหล่านี้ชื่อว่าเครื่องจองจำภายนอกส่วนเครื่องจองจำคือกิเลสกล่าวคือมีตัณหาในสวิญญาณกกัพซัและอวิญญาณกกัพซับซับที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองอันได้แก่เข้าเปลือกบุตรภริยาและโคเป็นต้นเป็นเครื่องจองจำที่มั่นคงกว่า ด้วยคูณด้วยร้อยคูณด้วยพันคูณด้วยแสนแต่โบราณบัณฑิตทั้งหลายตัดเครื่องจองจำที่ตัดได้ยากนี้แล้วเข้าสู่ป่าบวชแล้วทรงนำอดีตนิทานมาตรัสเล่าในอดีตการพระเจ้าพรมทัตแห่งกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์เกิดในสกุลยากจนสกุลหนึ่งเมื่อจเจริญวัยบิดาตายแล้ว หารับจ้างเลี้ยงมารดาต่อมามารดาหาภริยาให้ทั้งที่ไม่ปรารถนานางตั้งคันพระโพธิสัตว์ไม่ทราบว่านางตั้งคันบอกกับภริยาว่าจะไปบวชนางกล่าวว่าให้คลอดเห็นทารกแล้วจึงบวชการต่อมานางคลอดแล้วท่านจึงบอกว่าจะไปบวชอีกนางก็กล่าวว่าขอให้รอให้ยานมก่อนแล้วต่อมาก็ตั้งคันอีก พระโพธิสัตว์นั้นไม่สามารถให้นางยินยอมแล้วไปได้จึงคิดว่าจากนี้ไปบวชลุกขึ้นในราตรีแล้วหนีไปบวชบวชเป็นฤาษีอย่างอภิญญาและสมาบัตให้เกิดแล้วเล่นชาญอยู่เปล่งอุทานว่าเครื่องผูกคือบุตรภริยาเครื่องผูกคือกิเลสอันบุคคลตัดได้โดยยากเห็นปานนี้แต่เราตัดได้แล้ว ราชสสดาทรงตรัสต่อไปว่าเครื่องจองจำคือเหล็กและไม้เป็นเครื่องจองจําไม่มั่นคงความกําหนัดยินดียิ่งนักในแก้วมณีเครื่องประดับทั้งหลายและความเยื่อใยในบุตรและภริยาทั้งหลายเป็นเครื่องจองจําอันมั่นคงมีปกติเหนียวลงอันหย่อนแต่เลืองได้โดยยากยิ่งนักปราดทั้งหลาย ตัดเครื่องผูกเป็นผู้ไม่ใหญ่ดีละกามาสุขแล้วบวชอธิบายคำว่ามีปกติเหนี่ยวลงเพราะย่อมฉุดลงคือนำไปในที่ต่ำคร่ามากแล้วให้ตกไปในอบายสีย่อนแต่เปลืองได้ยากเพราะย่อมไม่บาดผิวหนังและเนื้อคือย่อมไม่นำโลหิตออกในที่ที่ผูก ไม่รู้สึกแม้เป็นเครื่องผูกยอมอนุญาตย่อนให้ทำการงานทั้งหลายในที่ทั้งหลายมีทางบกและทางน้ำเป็นต้นเรื่องได้ยากเพราะเครื่องผูกคือกิเลสเกิดขึ้นด้วยสามารถแห่งความโลภแม้เพียงคราวเดียวตัดเครื่องผูกด้วยพระขันคือยานเป็นผู้หมดความเยื่อใย ห, หมดอะไร ละกามาสุขได้แล้วเว้นรอบคือหนีออกย่อมบวชในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีสดาปฏิพลเป็นต้นดังนี้แหละ